เลาวสู่ความรุ่งเรืองทั่วกันดงคูุ่้มต้นตอสู่แดดฝนไม่วันออกดอกช่อนั้นแต่งบ้านงามตาจากวันนี้ไปได้นำความรู้สู่ยังท้องถิ่น นเราพัฒนานำพาด้วยคนนาาุณธรรมน้อมนำสู่การศึกษาสิบนิ้วก้มลงวันทาศรัทธาบัาน นำความรู้สู่ยังท้องถิ่นบ้านเราพัฒนานำพาด้วยคุณธรรมนอบนำสู่การศึกษาสิบนิ้วก้มลงวันทาศรัทธา สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เปิดเครื่องรับฟังอยู่ทางบ้านนะครับทันโลกทันเหตุการ์ลับมาพบกับท่านผู้ฟังเช่นเคยนาเรื่องราวที่น่าสนใจมาพูดมาคุยกันในช่วงนี้กระแสะเกี่ยวกับเรื่องของอการแพร่ระบาดของโควิดโอไมคอนนี้ก็ยังเป็นเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญล่ะครับนะซึ่งจากการเปิดเผยของในแพทย์สุภกิจ สิริลักษณ์อีิบรึกกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ก็เปิดเผยว่าความคืบหน้าของการติดเชื้อโควิด1 9ีนสายพันธ์ย่อยโอเมคอนก็บอกว่าสายพันธ์โอเมคอนที่ระบาดในไทยส่วนใหญ่เป็นชนิด ba 1นะครับซึ่งเป็นการาก็ยังมีการระบาดกันทั่วมาแถวเดวต้าแล้วตอนนี้นะซึ่งตรงนี้นี่ก็คงยังติดตามกันอยู่นะครับแล้วก็ ในแพทย์สุขภิจิก็บอกว่าในส่วนของเอทก็ยังใช้ได้ดีนะครับในการที่จะตรวจหาโควิดโอมคอนแต่ว่าต้องเป็นชุดที่ได้มาตรฐานนะครับนะซึ่งตรงนี้นี่คงจะต้องดูนะครับนะเพราะฉะนั้นตรงนี้คงจะต้องดูนะครับส่วนที่คณะบดีคณะแพทย์สิริราชให้เฝ้าระวังการแพร่ระบาดจากประเทศอินเดียนะซึ่งอาจจะมาผ่านมาทางเมียนมานะมาประเทศไทย ก็ต้องมีการระวังทางชายแดนแล้วครับนะเพราะว่าที่ต้องกังวลคือพวกที่ลักลอบเข้าประเทศนะเพราะว่าอาจจะนําเอาโควิดสายพันธุ์ใหม่ๆเข้ามานะซึ่งเราก็ไม่คาดาหมายแล้วครับนะตรงนี้นี่ต้องระมัดระวังแล้วก็มีข่าวแล้วครับว่าแรงงานาทมาม่าเนี่นะฮะรบลักลอบเข้ามาแถวชายแดนตะวันตกนะฝั่งตะวันตกนี่มาก จับได้กันมากว่าในตง้ต้องต้อ ง, ง, งดูแลครับตรงนั้นแหละครับบรเวณชายแดนเป็นหลักเพราะว่าในส่วนของสนามบินนี้ก็มีการควบคุมกันได้แล้วนะพอเข้ามาก็ต้องมีการตรวจหาโควิดกันอย่างเข้มข้นนะที่กระทรวงสาธารณสุขใ น, ในแพทย์โอภาษ์การการวินพงศ์หรอทวีดีกรมควบคุมโรคก็บอกว่าสถานการณ์ตอนนี้จํานวนผู้ติดเชื้อผู้เสียชีวิตรายวันผู้ป่วยหนัก นะเพราะยังอยู่ในสภาพว่าคงที่นะ 7-8 0 0 0คนนะครับแล้วก็มีการระบาดนะของโควิดโอมิคอนนะซึ่งตรงนี้นี่ก็ต้องมีการนะป้องกันนะส่วนนะการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้กับเด็กอานะยุ 5-11 ปนะีซึ่งจะเป็นฝาสีส้มนะกนะ็จะต้องเริ่มมีการฉีดนะครับวันที่26มกราคมนะถึงไทยรถแรก3แสนโดชนะแล้วก็จะส่งต่อเนื่องกันไป เรื่อยๆนะครับให้ได้ 3.5 ล้านโดดนะครับนะซึ่งตรงนี้นี่ก็ก็จะทยอยฉีดให้กับเด็กทั่วประเทศเพื่อที่จะให้เด็กนได้กลับมาเรียนหนังสือแล้วครับนะนะพอใช้ชีวิตปกติพอว่าจไปเรียนออนไลน์ก็บางครั้งนี่ก็ประสิทธิภาพประสิทธิผลอาจจะไม่เท่ากับเรียนออนไซต์แล้วครับนะซึ่งตรงนี้ในแพทย์โภคพาทก็กล่าวไว้อย่างนั้นนะครับซึ่ง ตรงนี้นี่ก็พยายามที่จ ะ, ะมีการกระจายการไปฉีดซึ่งก็คงจะต้องดูนะครับนะตรงนี้นะว่าเป็นอย่างไรกันกันบ้างนะครับนะแล้วก็ต้องดูนะครับว่าถ้าฉีดแล้วถ้ามันมีอาการการเนือหัวใจก็ต้องนําส่งโรงพยาบาล น, นะกันกันว่ากันไปนะครับซึ่งตรงนี้นี่คงจะต้องอดูตามตามในส่วนของอาการนะครับที่จะเกิดขึ้นนะแต่ว่าก็ ฉีดก็ดีกว่าไม่ฉีดล่ะครับนะเพราะว่าถ้าบางครั้งนี่ก็อย่างอย่างที่บอกแล้วครับว่าถ้าติดเชื้อขึ้นมานี่อาการอาจจะไม่รุนแรงนะครับนะเพราะถ้าไม่ได้ฉีดเนี่ยก็อาจจะรุนแรงนะครับนะโดยเฉพาะในส่วนของคนสูงอายุล่ะครับนะคงจะต้องระมัดระวังนะมีความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับเรื่องของการพยายามปลดล็อกกัญชาออกจอากยาเสพติดประเภทที่5ซึ่งตรงนี้ก็คืบหน้าไปมากนะมีคณะกรรมาการ พปสยาเสพติดเนี่ยมีการอานุมัติแล้วนะครับนว่าจะให้มีการออกกฎกฎหมายที่จะมีการถอดกัญชาเน่ออกจากยาเสพติดประเภทที่ห้าซึ่งก็ต้องอให้ในส่วนของรัฐมนตรีศึกษาสาธารณสุขนะครับออกประกาศอีกทีหนึ่งซึ่งในอนุทินชาญวิรากูลรองนายรัฐมนตรีและรัฐมนตรีสาธารณสุขก็ให้สัมภาษณ์บอกว่าการปลดล็อก กาัญชากัญชงพ้นยสติดแล้วก็ตอนนี้นกระทรวงสาธารณสุขก็เดินหน้ากันเต็มที่นะครับนะส่วนเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็อยู่ที่ดูนะครับนะว่าประชาชนนี่ก็สามารถที่จะเข้าถึงการใช้ประโยชน์ของกัญชงกัญชาได้ในการดูแลสุขภาพนะครับและเก็เรษฐกิจภาคครัวเรือนนะเพราะฉะนั้นนี่ก็ไม่ต้องกังวลนะว่าจะต้องถูกจับอะไรต่างๆนะเพราะฉะนั้นตรงนี้นี่เราก็ผ่านกฎหมายก็ จะต้องนำมาใช้ในเรื่องของการแพทย์ก็อย่างที่เรารับทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าในส่วนของน้ํามันกัญชานี่ยโดยเฉพาะผู้ป่วยโรคมะเร็งใช้ในการรักษาโรคมะเร็งนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลมากนะครับแล้วก็มีโรคอื่นๆอีกเพราะฉะนั้นนีนตรงนี้ก็คงจะต้องดูนะครับะจะเป็นข่าวดีนะสำหรับที่จะมาใช้ในเรื่องของการรักษาโรคตอนนี้ได้มีการ ผ่านกฎหมายออกมาหลายชุดแล้วก็ต้องติดตามในในสื่อแล้วครับในสื่อมีการพูดคุยกันประเด็นเรื่องนี้กันกันมากเลยทีเดียวทีเดียวโดวยเฉพาะในส่วนของอแวดวงของของขอ ง, ของแพทย์ทางเลือกหรือว่าแพทย์แผนไทยเนี่ยนะครับนะเพราะว่ า, เ, าเรามีการใช้กัญชาเนี่ยมาทำยากันหลายขนาด น, นะครับนะซึ่งใช้ในการรักษาโรค โรคพาร์กินสันบ้างนะครับนะโรคมะเร็งบ้างนะที่ที่เห็นนะครับนะที่มีการพูดคุยกันนะครับในต่วงเสวนาต่างๆซึ่งตรต่อไปชาวบ้านอาจจะต้องมาเรียนรู so ้แพทย์แผนไทยแล้วก็มาใช้ทำยาทําอะไรต่างๆนี่ก็ได้นะครับนะเพราะตรงนี้นี่คงจะต้องติดตามดูนะครับนะมีการผ่านกฎหมายการออกมาหลายชุดแล้วนะครับนะมารับฟังเพลงสักเพลงก่อนที่จะมาพูดมาคุยกันต่อครับ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 ปัดเปาความจนวอนพ่อช่วยดลให้คนเมตตาให้ลูกได้รวยกับเขาบางนนให้สมคำว่าสิทธิ์หลวงพ่อรูยป mm hmm. ากใจโซโซให้วัดตะโกแผ่บุญบันดา สิ่งที่เคยติดแค่คิดให้ผ่านทุกปันวอนพ่อให้ช่วยบาพที่ใครทำเจ็บที่เคยโดนให้พ้นความสวยกฐานะที่ยังลม้มป่วยพ่อรวยโปรดช่วยที่ทา ชิตาจ จ, จานิเกร ส, สัง พ, พระพุทธชิตาสัพพโนาิา พ, าาาา พ, พ, พาสัมปตโตนาุตโมมหาลาพมสัพพสิทธิวนตุเมสาธุสาธุสาทุ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 บากใจโซโซให้วัดตะโกแผ่บุญบันดาลสิ่งที่เคยติดแค่คิดให้ผ่านทุกฟันวอนพ่อให้ช่วย mm hmm. บากที่ใครทำเจ็บที่เคยโดนให้พ้นความโศยฐานที่ยังล้มป่วยพ่อรวย โอดช่วยนาพางครับมาพูดมาคุยกันต่อนะครับนะในช่วงนี้เียนายงตรีไปเยือน ประเทศซาอุดิอาระเบียอย่างเป็นทางการนะครับนะพลเอกประยุทธ์จันโอชาเนี่ยนะครับได้ไปเยือนซาอุดิอาระเบียตามคําเชิญของเจ้าชายมุฮัมมัดบินซันมานบินอับดุลอาซิดอันซาอุดมกุดราชกุมารซึ่งเป็นรองนายกรัฐมนตรีและทำตีกลาโหมของซาอุดิอาระเบียนะครับหลังจากที่มีการลดระดับความสัมพันธ์กันมากว่า30ปีพอ น, นายกตีก็ไปเยือนกันแล้ว วันที่25มกราคมซึ่งยงตรีไทยก็เปิดเผยว่าจะมีการเลือฟื้นความร่วมมือในมิติต่างๆทั้งในเรื่องของการเมืองเศรษฐกิจสังคมนโยบายเศรษฐกิจ BCG ของไทยนะแล้วก็วิสัยทัศน์ซาอุดิอาระเบีย2030ก็จะมีการผลักดันให้เป็นรูปธรรมต่อไปก็จะมีการ ร่วมมือกลอบพาพะหุพาคีในด้านต่างๆนะเพราะว่ารวมทั้งไทยเราจะเป็นเจ้าภาพเอกในปีนี้นะครับมีการผักดันขอให้อนุญาตให้แรงงานไท ย, นยกลับเข้ามาทำงานในซาอุดิอาระเบียได้นะครับเพราะว่าก่อนที่เราลดความสัมพันธ์จากซาอุเราเคยมีแรงงานไทยไปทำงานในซาอุดิอาระเบีย3 0 0แสนคนเลยทีเดียวสร้างรายได้ 9,000 ล้านบาทต่อปี นะในใน30ปีกว่าปีที่ผ่านมานะเพราะฉะนั้นนี้ก็อาจะน่าจะมีการฟื้นนะแรงานไทยไปทํางานในสุแล้วก็จะมีการนะทางด้านการค้าการลงทุนก็จะเสริมสร้างนะการลงทุนในธนะที่ไทยเราเป็นครัวโลกนะก็จะสนับสนุนความมั่นคงทางอาหารของซาวเดียละเบีย้นะซึ่งนะตรงนี้แล้วก็ เราก็ยังเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และการท่องเที่ยวนะก็คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวจากซาอุมาใช้บริการในไทยเรามากขึ้นนะจะเศรษฐีต่งตางๆก็มารักษาในโรงพยาบาลใ น, นกระชนของไทยเนี่ยมากอยู่แล้วเดีเป็นที่รับรู้กันว่าฉะนในตรงนี้นี่ก็คาดว่า น, นักท่องเที่ยวจากซาอุดีอาระเบียจะสร้างรายได้ให้กับไทยไม่ต่ำกว่าปีละห้าพันล้านนะแล้วก็จะช่วยส่งเสริม ความมั่นคงทางพลังงานของไทยล่ะครับในฐานะที่ซาอุดิอารเบียเป็นผู้ผลิตและส่งออกนะ้ำมันดิบรายใหญ่ของโลกล่ะครับนะเพราะฉะนั้นตรงนี้นี่ก็ถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนเป็นการพูดคุยฟื้นความสัมพันธ์กันนะครับระหว่างไทยกับซะอุในายสุชาติชมกินรัมตีแรงงานก็บอกว่าได้หาลือทวิภาคีกับอาหมัดสุไลมานอัลลัจีรัมตี ทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาทางสังคมของซางอุนะก็ซึ่งตรงนี้นี่ก็าทางฝ่ายซาอุก็แจ้งว่ามากราชกุมรารซาอุก็มีบัญชาให้ดําเนินการจัดหาแรงงานฝีมือดอีให้ได้8ปล้านคนนะซึ่งไทยเราก็สามารถที่จะเข้าร่วมส่งแรงงานมาทํางานในซาอุได้นะครับในโควตา8ล้านคนเนี่ยนะก็จะมีความร่วมมือกันโดยเฉพาะแรงงานในภาคบริการโรงแรมสุขภาพ แล้วก็ก่อสร้างนะครับซึ่งตรงนี้นี่ก็ก็เป็นในส่วนของแรงงานนี่ก็สามารถกลับเข้าไปทำงานได้เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นตรงนี้คงจะต้องอดูกันต่อไปล่ะครับแต่ว่าจะส่งเสริมในส่วนของคนไทยแล้วนี่เมื่ อ, อตอนนี้คนแรงงานซาอุที่เคยไปทำงานซาอุเมื่อ30ปีก่อนนะตอนสมัยหนุ่มๆนี่นไปอายยี่20ปีนี่ตอนนี้ก็น่าจะ50 60แล้วล่ะครับนะ หลายคนนี่ก็ยังเล่าความหลังกันอยู่โดยเฉพาะแถวภาคอีสานก็มีในส่วนของแรงงานไทยเนี่ยนะครับนะก็ไปทํางานซาอุและส่งเงินกลับมานะฮะช่วยทางครอบครัวนี่หลายคนก็อเตรียหนี้สินอะไรต่างๆกันได้มากแหละครับแต่เพราะว่าค่าตอบแทนรายได้เนี่สูงกว่าประเทศไทยเล่าแนหะครับการทํางานที่ซาอุดีอาระเบียนะครับแล้วก็ หลายคนก็ทำให้ฐานะเศรษฐกิจละต่างๆก็ดีขึ้นนะครับนะเราจะเห็นว่าคนในรุ่นก่อนๆ น, นี่ก็จะเล่าถึงประสบการณ์นะการไปทำงานในซาอุดิอาระเบียก็มีคนไทยถึงสามแสนคนนี่ไม่ใช่จำนวน น, น้อยนะครับนะที่ไปไ ป, ไปใช้ชีวิตในแคมป์คนงานอะไรต่างๆแถวซาอุดิอาระเบียนะเพราะฉะนั้นในตรงนี้นี่ก็ถ้าถ้ามีตลาดแรงงานฟื้นเข้ามาก็คงจะเป็นสิ่งที่ดีนะครับนะแต่ในขณะเดียวกันนี้ถ้า แรงงานไทยไปทำงานซาอุดีก็อาจจะเกิดการขาดแคลนแรงงานฝีมือในในกลุ่มธุรกิจก่อสร้างของไทยเราก็ต้องก็ต้องมีการผลิตนะในส่วนของนักศึกษานะทางด้านอาชีวะและต่างๆเข้ามาเสริมรวมทั้งนะต้องมีการนำเข้าแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านมาเติมแล้วครับนะทั้งในส่วนของพมา่านะกัมพูชาฮินดล้วนะครับนะเพราะฉะนั้นตรงนี้นี่ก็ต้อง พึ่งพากันอยู่ดีนะครับนเพราะว่าเป็นประเทศที่อยู่ติดกันนะคงจะต้องดูนะครับนะการมีการวางแผนเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับนะเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าจะมีการวางแผนกันกันกันอย่างไรนะครับนะรวมทั้งการส่งเสริมการการท่องเที่ยวเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจนะครับซึ่งตรงนี้นี่รัฐอาจจะต้องมาหนุนเสริมในส่วนของชุมชนให้มาส่งเสริมการท่องเที่ยวในระดับชุมชนก็จะเป็นสิ่งที่ดี นะครับนะแล้วก็เปิดประเทศก็คงจะมีมาตรการในการที่จะควบคุมโควิดนะด้วยแต่ก็ต้องเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวนะเข้ามาเที่ยวนะเพื่อที่จะให้ลักษณะของนะการท่องเที่ยวนี้อยู่ในสภาพปกติรวมทั้งการเชื่อมต่อนะการการเส้นทางคมนาคมนะที่เราต้องเชื่อมกับรถไฟความเร็วสูงในเล่าแล้วนะครับนะเชื่อมทางหนองคายนี้ไปเพื่อที่จะ ระบายสินค้าออกไปนะทางการเกษตรรวมทั้งเป็นการเป็นเส้นทางที่นะักท่องเที่ยวจากจีนเนี่ยจะเข้ามาเที่ยวบ้านเรานะคมันต้องคงจะต้องส่งเสริมกั น, นหลายๆด้านสําหรับวันนี้นะครับเวลาของรายการของเรามาถึงช่วงไทยของรายการเราชีวิตจะสั้นเพราคขอนบุรีเรามาร่วง ม, มือกันลดละเลิกสูบุรีครับสำหรับวันนี้ผมนิรันดร์กุธา น, านันต้องขอลาท่านไปก่อนและพบกันโอกาสหน้าครับสวัสดีครับ เชียงแสนโองกันกลางระหว่างคมแนงเฮาบ่เห็นหน้าแฟนปิดแดนเสร็จแล้วล่ะน า, า, า, า, าเห็จังใดสิได้เจอน้องคำคืนนายยืนจง อ, องมองบังโคงไหลลอง คงคงหดวูจอยู่ใสเขาให้เหตุงานอันใดฉันไหบ่ส่งข้าวมาอยู่ฝั่งนั้อธิปไสตยเซเรียดีกินดีผูดม ไปด้วยข้าวผาเจ้าอยู่ยังจำไอคิดทอดลายเวลาเห็นน้ำโขงเอื่อยมาคงเมืออ น, น้ำตาจาบันโอ้ฝัณอ้ายมีฟังสาฟังผาคืนดีคงมีฮักรู้ ก้องแม่เอ๋ยช่วยเป็นพยาไอาหักแม่สาวเวียงจันปักเดี้ยวหักมันหมเลย ฟังแสงฟังพระคืนดีคงมีฮักรุ่้สุขสันขอแม่เลิศช่วยเป็นพยาให้ฮักแม่สาวเวียงจันฮักเดียวฮักมันมาเลย